ถามเคยได้ยินว่าการเข้านิพพานจัดเป็นการฆ่าตัวตายที่สมบูรณ์แบบเพราะตายจริงและไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเหตุใดจึงไม่มีโทษเหมือนอย่างการฆ่าตัวตายปกติครับก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าการถึงนิพพานนั้นคือการออกไปอยู่นอกสังสารวัตรคือพ้นไปจากความมีความเป็นพ้นไปจากความสูงความต่ำ เป็นภาวะลอยบุญลอยบาปทิ้งทั้งหมดอยู่เหนือกุศลและอกุศลทั้งปวงเปรียบเทียบคือเมื่อคุณตกอยู่ในห้วงฝันก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของความฝันถ้าเลือกทางสว่างก็ได้ฝันดีถ้าเลือกทางมืดก็ได้ฝันร้ายแต่หากตื่นจากฝันก็จะไม่ตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์ดีร้ายใดๆในความฝันอีกการถึงนิพพานอย่างพระอรหรันต คือการฆ่าอุปทานทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวตนจิตหมดความยึดมั่นใดๆเป็นอิสระสมบูรณ์สูงสุดมีปัญญาเป็นมูลคือเห็นตามจริงแล้วว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ใครใจนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ใครเช่นกันการฆ่าตัวตายด้วยโลภะและโทสะจัดเป็นกรรมดำการสละชีพเพื่อผู้อื่นด้วยเมตตา จัดเป็นกรรมขาวส่วนการกำจัดความเห็นผิดเพื่อความไม่เกิดอีกจัดเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออยู่เหนือความขาวความดำทั้งปวงครับดังตริน 3. ส, สิงหาคมพุทธศักราชสองพดนี้าร้อยห้านี้ บทความจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่24 อ, อ่านโดยโจโฉหรืออ น, อนุอส อ, อนรีโซภา ความจริงสิคอยบอกไว้หลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ท